ปีพุทธศักราช2496ถึง2498พันศาที่9ถึง11ท่านไดจ้จำพรรษาที่วัดประชาคมวนารามปากุงเก่าบ้านสีสมเด็จตำบลโพทองอำเภอสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดประวัติย่อวัดประชาคมวนารามได้บันทึกไว้ว่าต้นเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2496หลวงปู่ศีมหาวีโร ผู้เป็นสิทธิ์ของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทตโตและคณะประกอบด้วยพระอาจารย์ป่องพระอาจารย์ทองใบพระอาจารย์คูนได้เดินทุดงมาจากจังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารผ่านจังหวัดร้อยเอ็ดไปอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเจตนาของหลวงปู่ศรีอย่างหนึ่งในการทุดงผ่านมาทางแผ่นเดินเกิดก็เพื่อสนทนาธรรมกับพระหลวงพ่ออ่อนศรีกิจยาโน ซึ่งเป็นบิดาผู้บังเกิดกล้าวณนะวัดป่าบ้านขามป้อมหลวงปู่ศรีและคณะจึงได้พักอยู่ที่วัดป่าบ้านขามป้อมกับพระหลวงพ่ออ่อนศรีผู้เป็นบิดาเป็นเวลาแรมเดือนในขณะที่ท่านพักอยู่ที่นั้นมีผู้คนเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากพระบางกลุ่มเสื่อมจากราบสการะและความนับถือจึงต่อต้านท่านอย่างหนักเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านจึงดำริเดินธุดงค์กลับจังหวัดร้อยเอ็ดมุกดาหาร นครพนมเพื่อกราบคาระวะพระาธาตุพนมอีกครั้งหนึ่งในเวลาตะวันบ่ายคล้อยวันหนึ่งท่านเดินผ่านมาทางบ้านหนองแดงอำเภอศีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดจึงเข้าพักในบริเวณป่ามีครูคนหนึ่งชื่อว่าคุณครูใครมองไปเห็นว่าเป็นพระกรรมฐานจึงกราบนิมนต์ท่านให้เข้าไปฉันน้ำป่านะที่บ้านของตนเมื่อสนทนากันจึงทราบว่าเป็นหลวงปู่ศรี อดีตครูสีที่สละโลจีออกบวชเมื่อชาวบ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงทราบข่าวดังนั้นก็พากันมากราบคารวะจนกระทั่งเมืดค่ำตัวแทนชาวบ้านประกอบด้วยพ่อใหญ่ขุนจงบ้านหัวหนองน้อยพ่อใหญ่จูมพ่อใหญ่ใบบ้านน้องแดงพ่อใหญ่คาบุบ้านบากเรียนถามท่านว่าท่านอาจารย์จะไปที่ไหนอัตมาจะไปข้างหน้าลุงปุสีท่านตอบสั้นๆถ้าอย่างนั้น นี่หมนท่านอาจารย์และคณะพักทีวัดป่ากรุงร้างอันเป็นวัดเก่าแก่นี้เสียก่อนสถานที่แห่งนี้เป็นที่สงบสงัดไม่มีใครกล้าเข้าไปจะมีก็แต่พวกโจรผู้ร้ายมีวิชาอาคมแก่กล้า mm. เมื่อพวกเขาไปขโมยวัวควายได้มาแล้วก็จะนำมาซุกซ่อนที่นี่แม้เป็นเวลากลางวันแสกๆก็ยังไม่มีใครกล้าเดินผ่านมาทางนี้เลยครับ หัวหน้าชาวบ้านกราบเรียนด้วยกิริยาอนอบน้อมต่อไปอีกว่าวัดป่ากุงร้างนี้มีเนื้อที่ห้าไร่เป็นป่าดงพงทึบมีต้นไม้กุงหนาแน่นมีสัตว์ร้ายอาศัยอยู่เป็นที่น่าเกรงขามของคนในถิ่นแถบนี้เป็นอย่างมากผู้เฒ่าผู้แก่ได้เล่าให้ฟังว่าเป็นวัดร้างมานานกว่าสองรอยปีมีสภาพรกร้างว่างเปล่ามานานแต่ไม่มีผู้ใดกล้าเข้าไปอาศัยจับจอง เพราะเหตุว่ามีคนเคยเห็นผีเปรตสูงเท่าลำต้นตาลที่เป็นพระอดีตยาคูเวลาเดินมีรอยเท้ากลับด้านเที่ยวเร่ร่อนหลอกล้อนขอส่วนบุญจากผู้ที่สัญจรไปมาทำให้เข็ดหลาบกันไปโดยทั่วถ้าท่านอาจารย์ไม่กลัวผีเปรตและพวกโจรผู้ร้ายก็ขอกราบนิมนต์อยู่โปรดพวกกระผมด้วยเถิดเมื่อมีเหล่าชนผู้เลื่อมใส ต้องการจะให้พักอยู่ที่เสนาสนะป่ากุงร้างบ้านป่ากุงอําเภอสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดห่างจากตัวจังหวัด19กิโลเมตรและห่างจากเขตจังหวัดมหาสา ร, รคามประมาณ40กิโลเมตรท่านจึงรับนิมนต์ของญาติโยมชาวบ้านน้องแดงท่านบอกว่าจะพักให้ชั่วคราวก่อนด้วยความดีใจเป็นอย่างยิ่งชาวบ้านต่างคนก็ต่างนาเสื่อมอนมาถวายให้ท่านพักจำวัดเช้า ว, วันต่อมาพวกชาวบ้าน ก็พากันมาทำกระต๊อบมงยาคาหลังเล็กๆให้ท่านและคณะอยู่อาศัยแม้ชาวบ้านจะยากจนไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการก่อสร้างด้วยความที่อยากให้ท่านเห็นใจแล้วอยู่โปรดต่อไปใครมีเรียวแรงก็ใช้เรียวแรงใครมีมีดก็ใช้มีดใครมีขวานก็ใช้ขวานทั้งถากทั้งฟันเพียงวันเดียวเท่านั้นทุกอย่างสาเร็จเรียบร้อย ในวันที่สมที่หลวงปู่ศรีพักนวัดป่ากรุงร้างนี้ท่านได้แสดงทาโปรดอุบาสกอุบาสิกาในถิ่นนั้นจนเกิดกจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนของพระบรมศ า, ศาสดาอย่างแรงกล้าในวันที่สท่านได้ลาญาติโยมเพื่อท่องเที่ยวกรรมฐานต่อไปตามสมณะวิสัยชาวบ้านโดยส่วนมากแสดงความอาลัยอาวร์เป็นอย่างยิ่งบางคนร้องไห้บางคนเว้าวอนให้ท่านอยู่ต่อไป เขาบอกว่านานมาแล้วยังไม่เคยเห็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและแสดงธรรมเข้าถึงใจอย่างนี้เมื่อชาวบ้านรบเร้าขัดขวางบางคนมีน้ำตาหนองหน้าแสดงอาการอะไรอาวร์อยู่อย่างเห็นได้ชัดท่านจึงสงสารและพิจารณาว่าป่านี้เป็นสถานที่วิเวกสปายะญาติโยมก็มีศรัทธาพร้อมพรั่งควรที่เราจะสงเคราะห์เขาเพื่อมักผล และพระนิพพานต่อไปอันจะเป็นประโยชน์ใหญ่ในทางพระพุทธศาสนาเมื่อท่านพิจารณาอย่างนั้นแล้วจึงอยู่จำพรรษาและปฏิบัติภาวนาต่อไปในพรรานั้นปรากฏว่าได้รับความสนใจและความอุปถัมจากประชาชนชาวพุทธทั้งในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดอื่นๆทั้งใกล้และไกลเป็นจานวนมากต่างก็พากันหลั่งไหลมาเพื่อทาบญสุนทาน และรับการอบรมเทศนาสั่งสอนจากท่านเป็นเนืองนิดไม่ได้ขาดจนเกิดศรัทธาเลื่อมใสในปฏิปทาของท่านเป็นอย่างมากเหตุที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งนั้นก็คือชนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นบ้านใกล้หรือว่าบ้านไกลเมื่อได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านแล้วบางคนถึงกับสละเย่าเรือนออกบวชบางครอบครัวได้ออกบวช ท, ทั้งพ่อแม่ลูกเพื่อมาศึกษาและปฏิบัติศีลธรรมให้ได้เต็มที่แม้ในปัจจุบัน ก็ยังคงมีผู้สละบ้านเรือนออกมาบวชอยู่โดยสม่ำเสมอบางทีก็มีคนพูดติดตลกกันว่าพระวัดป่ากุ่งคือชมรมคนหนีเมียออกมาบวชไม่เฉพาะแต่ฆราวาสญาติโยมเท่านั้นแม้พระที่ติดตามท่านมาเวลาป่วยไข้ไม่สบายท่านก็จะสอนให้เอาธรรมโอสดเข้าสู้เรื่องหยูกยาเอาไว้ทีหลังอย่างเช่นพระอาจารย์ทองใบเป็นโรคบิดจนผอมเหลือง ฉันข้าวไม่ได้มีแต่ถ่ายท้องอย่างเดียวหลุงปูศรีท่านสอนว่ายิ่งกินมันก็ยิ่งขี้นะฉะนั้นอย่า ก, กินมากจากนั้นพระจันท์ทองใบไม่ลงฉันข้าวถึงเจ็ดวันโรคนั้นได้หายเป็นปลิบทิ้งนี่ก็เป็นผลแห่งธรรมโอสถอย่างหนึ่งนอกจากท่านจะสั่งสอนพระเนนประชาชน ญ, ญาติโยมแล้วยังมีพวกกายทิพย์พูดผีปีศาจที่ท่านเมตตาโปรดอีกมากมายท่านเล่าให้ฟังว่า บางวันเดินจงกรมจะมีพวกกายทิพย์นำของมาฝากเช่นหายเงินหายทองถ้าเป็นคนธรรมดาจะมองเห็นเหมือนหายมันลอยมาเองบนอากาศพวกกายทิพย์ถามท่านว่าจะเอาของมาฝากจะให้เอาไว้ที่ตรงไหนท่านก็บอกเขาว่าจะเอาไว้ตรงไหนก็เอาไว้เถอะพอท่านพูดจบเขาก็เอามือกดหายเหล่านั้นกดครั้งเดียวจมลงดินมิดชิดเลยเขาบอกว่าถ้ามีที่เจ็บอีก ก็จะเอามาฝากเพิ่มอีกภายหลังแต่บริเวณสะด้านบนเขาจะมาสร้างเจดีย์ให้ภายหลังปรากฏว่าได้สร้างพระเจดีย์บริเวณนั้นจริงๆปัจจุบันคือบริเวณที่สร้างพระเจดีย์หินเพื่อบูชาคุณของหลวงปู่ศรีมหาวีโรที่วัดป่ากุงและท่านยังเล่าให้ฟังอีกว่ามีทรัพย์สมบัติของโบราณเขาเอามาฝากไว้ในพระเจดีย์เต็มไปหมดพราเขารู้ว่าเราจะสร้าง เขาก็พากันเอามาฝากเต็มไปหมดยิ่งท่าสร้างเสร็จเขาก็ยิ่งจะเอามาเยอะของเหล่านี้คนธรรมดาจะดูไม่เห็นเว้นแต่ท่านผู้มีหูทิพตาทิพเท่านั้นท่านเจ้าคุณพระรธรรมานุวัตรเลื่อนสุกาวโรวัดเหนือจังหวัดร้อยเอ็ดได้เล่าสมัยเป็นสามเณรอยู่กับหลวงปู่ีไว้ว่าการสร้างวัดป่ากลุงอัตมาว่าแม่ใหญ่ล่ามีส่วนสาคัญมากเหลือเกินในการสร้างวัด ท่านอาจารย์สีมาอยู่ปีพุทธศักราช2496พวกแม่ใหญ่ล่าบ้านก่อปู่แสงพ่อใหญ่บุญจันทร์ตอนเช้าก็หาบกล่องข้าวข้ามโคกข้ามป่าเดินลัดโคกป่าช้าทางแคบๆมาถวายจังหันปีพุทธศักราช2497ตัดทางเล็กๆข้ามป่าช้าบ้านโคกขาบ้านเหล่าล้อบ้านก่อบ้านสองห้องพวกคนเท่าคนแจ่หาบกล่องข้าวมา ข้ามป่าข้ามดวงมาตอนเช้าตอนเย็นข้าค่อยกลับเวลาพระฉันข้าวก็จะพากันไปตัดหญ้าดาย้าพวกผู้ชายมีมือถือมีดไปถางป่าจนพระฉันเสร็จจึงค่อยขึ้นมาถึงวันศีลก็พากันมาจําศีลเมื่อดูว่าวัดป่ากรุงสมัยนั้นแล้วไม่น่าจะเป็นวัดเป็นวานนะน้อยๆแคบๆเล็กๆบางครั้งชาวบ้านไปพบหมาจิ้งจอกตัวเล็กๆนะมันลงมาตามหุบห้วยแถวนี้ บางคนก็ทิ้งหาบกล่องข้าววิ่งหนีเตลิดเปิดเปิงหมาจิ้งจอกตัวใหญ่มันมักจะวิ่งข้ามหุบแถวนี้แต่ก่อนหมาจิงจอกเยอะจริงๆแถวโคกป่าช้าวัดป่ากุงวันไหนฝนตกหนักพระไปบิณฑบาตไม่ได้ชาวบ้านมักจะแจงผักขี้เหล็กมาถวายอยู่วัดป่ากุงสมัยนั้นฉันเข้ากับแจงผักขี้เหล็กเป็นหลักแต่ต้องทาขมๆนะโดยเฉพาะท่านอาจารย์สีท่านชอบ การบินทำบาดไกลยากลำบากแค่ไหนก็ตามอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามถ้าฤดูแรงก็บุกดินทรายหน้าฝนก็บุกขี้โครนวันในว่างๆท่านอาจารย์สีท่านบอกให้ไปป่าช้าไปหาเอาของที่เขาเผาอุทิศให้ผีไปหาเสียมเฮี้ยนจอบเฮี้ยนมีดเคียวตามป่าช้าไปหาเจ็บมาดีกว่าที่เขาจะเอาไปทิ้งไว้เฉยๆเอามาใช้เป็นประโยชน์เอามาใส่ด้ามไว้เป็นประโยชน์ เขียวก็เอามาเกี่ยวหญ้ามีดก็เอามาทําเข้าด้ามได้ใช้กันเสียมจอบเอามาใส่ด้ามไว้ดายหญ้ากันกุติก็กุติฝ้าแถบใบตองปลวกขึ้นศาลาก็เป็นกระตบสําซ่อนน้อยๆสาลานี่เอาไม้สารพัดไม้ไม้ทุกอย่างไม้ลงศพคนตายไม้คานหามทําเป็นฟากปูพื้นกุติได้พวกผ้าเสือที่รองศพคนตายผ้าหอ่อศพท่านไม่ให้ทิ้งท่านว่า ทำให้มันเป็นประโยชน์เอาไปฉีกนุ่นออกเสร็จแล้วก็ซักเป็นผ้าเช็ดเท้าไม้ฝาโลงที่เขียนลวดลายต่างๆท่านก็มาให้ลบออกหรอกเอาไว้อย่างนั้นแหละให้เห็นว่าแปลกส่วนฟูกขาดมาแจะนุ่นออกแล้วในวัดมันก็มีลิงท่านให้เอามาตัดเสื้อให้ลิงลิงชื่อว่าบักโดนุ่งมันช่างน่าดูจริงๆพวกคนเท่าก็มานอนวัดนอนวาอยู่ที่ศาลากระต๊อบเล็กๆนั่นแหละอยู่กันมา บำเพ็ญปฏิบัติกันมาไม่คิดว่ามันจะเป็นวัดเป็นหวานะยิ่งตอนที่ท่านไปอยู่นครพนมนี่มีพระผู้เฒ่าอยู่ทีละสององค์บ้างไม่มีบ้างแต่ว่าพวกผู้เฒ่าชาวบ้านเหล่านี้เขาไม่ทิ้งวัดนะแม้ท่านไม่อยู่ก็ตามเขาก็มาอยู่อย่างนั้นแหละหลวงปู่ศรีมหาวีโรท่านได้เขียนระเบียบและข้อปฏิบัติของวัดป่ากุง้งปีพุทธศักราช2498ไว้ว่าการอยู่เป็นหมู่เป็นคณะ ถ้าขาดระเบียบข้อปฏิบัติแล้วจะเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยไม่ได้ฉะนั้นจึงจำเป็นควรมีไว้เพื่อเป็นเครื่องยึดในการปฏิบัติ ด, ดังนี้ข้อ1พระเนนทุกรูปต้องสมาทานทุดงควัตรอย่างน้อยองค์ละห้าข้อเพื่อเป็นการขัดเกลากิเลสให้เบาบางตามศรัทธาความสามารถและเป็นเหตุที่ทำให้ตนมีชีวิตประกอบไปด้วยสัจจะและข้อวัตทุกเมื่อข้อที่สอง ข้อวัดสำหรับตอนกลางวันพอรุ่งสว่างเป็นวันใหม่พระเนนทุกรูปนำบริขารของตนที่เกี่ยวกับการฉันลงรวมบนศาลาโรงฉันจัดให้เป็นระเบียบและทำความสะอาดบนศาลาพอถึงเวลาที่เที่ยวพิขาจารย์บินธบาตต่างองค์ก็เตรียมนุ่งสบงทรงจีวรซ้อนสังคาติไปเที่ยวบิณฑบาตตามที่จัดไว้เมื่อกลับมาพร้อมเพียงกันแล้วจัดอาหารเสร็จก็เริ่มลงมือฉัน เมื่อฉันเสร็จแล้วทำข้อวัดของตนและช่วยทำความสะอาดสารล้าให้สะอาดเก็บเครื่องบริขารขึ้นกูดีต่อจากนั้นก็ลงสู่ทางจงกรมเดินจงกรมไปจนถึง5้าโมงเช้าพอได้ยินเสียงระฆังก็หยุดทำข้อวัดสำหรับตนไปจนถึงบ่ายสาโมงเมื่อได้ยินเสียงระฆังต่างองค์ก็เริ่มลงกวาดลานวัดทำความสะอาดบริเวณวัดและจัดหาน้าใช้น้าฉันตลอดจนน้าส่งเรียบร้อย เมื่อได้ยินเสียงระฆังเตรียมลงฟังเทศบนศาลาทุกรูปข้อที่สเมื่อฟังเทศจบแล้วก็พอดีย่ำคำ่ำต่อจากนั้นเริ่มทำวัดสวดมนต์ตามตารางที่จัดไว้แล้วเมื่อสวดจบมีการอธิบายธรรมะพอสมควรก็เลิกประชุมต่อจากนั้นไปให้เดินจงกรมจนถึงสามทุ่มพอได้ยินเสียงระฆังก็ขึ้นกุดีนั่งสมาธิไปจนถึงห้าทุ่มหรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่ศรัทธา แล้วก็พักพอถึงตีสได้ยินเสียงระฆังเตรียมลงทาวัดที่ศาลาโรงธรรมพอทาวัดเสร็จเดินจงกรมไปจนสว่างเป็นวันใหม่